Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik ก็ตั้งใจมาแล้วลาคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อ Murpje popkrap, kon parlav, kon tacturen, kon parlavar, kon parlavar, kon parlavar, kon jong hebben, kon in Nabucja, de Mika Jong, dan lais ik door. We hebben niggort, kon jong hebben, dan jong hebben, kon jong hebben, คุณป้าเดินเที่ยวกันมั้ยก็ ถ้าหนูยังไม่พร้อมอะไรคุณป้าอย่าปีเป็นอายุไข <c oughs> คุณป้าวโรชอบใจว่าหลานก็อายุ 60 ปีเข้า 70 ปีแล้ว 70 ปี มันป้าจะต้องตายก่อนแต่ความจริงไม่มีใครอยากตายและความตายมันเป็นของธรรมดาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเรื่องตายไม่ตายครับจะบ้านผมจะเบื่อคุยกันเราก็เดินเที่ยวต่อไปเอา เลี้ยวเข้าประตูซ้ายขออนุญาตพระ <c oughs> คนป้ายกพื้นสูงจากดิน 3 เมตรและยกพื้นแล้วก็ยกเสาจากพื้นเดิมไป 4 เมตรทํานังคา dan langer die gaat leeuw bij de aandacht die daar leeuw bij dan die van tekken in vier mogen jullie hebben ook wat hun pa kun pa poedt met die noongong zakweer kun pa kwa kon kunnen เอ่อเดินจากสะพานขึ้นบันได 2 3 ก้าวก็มีทางแยกด้านขวามือไป คนป่า 6 เมตรแล้ว 4 เมตรเป็น 25 ไร่แล้ว 2 ชั้นชั้นล่าง 2 ข้างเป็นเป็นกําแพง Tijgod, de een baanitnee, de een bait, de een bait, de een een een een een นี่หลวงปู่ท่านกําลังจะ ตัวหนูก็เห็น 1 ที่ 1 แปลง 25 ไร่ที่ 2 ไร่แห่งนึง ที่หน้าพระอมรศรอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ 6 ที่ตึกชายหน้ามีแห่งหนึ่งแล้วก็ 7 ที่รับแขกอีกแห่งหนึ่งที่นี่มีประปาประดานทั้ง 7 แห่งแล้วเห็นว่าจะทํา <c oughs> เธอก็ถามพระว่าประปาต่างๆในที่ต่างๆเค้ามีกันจุดเดียว ยามปฏิฏิธิวัตรที่วัดนี้พระก็ไม่มากเพราะไม่รับพระที่อื่นพระที่วัดนี้ที่มีอยู่ก็เป็นพระบวชที่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนบ้านอยู่ห่างๆกัน แล้วขึ้นไปๆฉะนั้นที่วัดนี้ยัง <c oughs> อันนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆหลวงปู่ท่านต้องจ่ายทั้งค่าไฟฟ้าค่าน้ําค่าไฟก็ต้องจ่ายค่าอาหารก็ต้อง รู้ความว่าทั้งค่าน้ําประปาทั้งค่าไฟฟ้าค่าอาหารนี่หลวงปู่ต้นใจเป็นแสนๆคือไม่ใช่แสนเดียวต้น 1 เดือนตุไลก็สงสัยก็ถามว่าถ้างั้นหลวงปู่เอาสตางค์มาจากไหนป้าน้อยก็บอกว่า ความจริงก็คนรับ หนูไล่ฟังแล้วก็หู 3,000 บาทติดเศษเดือนนึงก็ต้องจ่ายทุกอย่างทั้งค่าน้ํา หลายๆค่าข้อเที่ยวตุรัยก็บอกว่าเห็นบางวันวันหยุดคุณพ่อบอกคุณแม่ว่าฉันน่ะ คนภาณนาก็บ่กลัวไปเห็นท่านบนแต่เป็นถ้ามีคนให้ท่านก็ใจถ้าให้มาไม่ มาอาหารเพิงกันบ่อยถ้าอย่างนั้นอาหารมนุษย์กินตอน จุไลก็บอกว่าหนูจะไปที่ร้านค้าแต่พระท่านบอกว่าหนูเล็กรับทานอาหารที่นี่เถอะอาหารเหลือเยอะอ่าน้อยก็บอก อาหารที่ครัวทําอีกครัวต้องทําสํารองจะมีคนมาเลี้ยงหรือไม่มีคนมาเลี้ยงก็ตามครัวต้องทําสํารองไว้เผื่อว่าคนเลี้ยงมาไม่ทันจะได้มีอาหารให้พระฉันเพราะพระฉันหลังจาก <c oughs> แต่ความจริงก็เห็นท่านก็ทุกคนก็บอกว่าสนามบารมีของท่านดีมากมีบุญดีมากไอ้หน้อยไอ้ดีก็นี่ก็ดีแต่ได้ใจหลวงปู่ทุ่มอกหมูหนักใจแทนหลวงปู่ป้าน้อย งานทุกอย่างถ้าป้าเป็นผู้แก่ถ้าไม่เกิน 25 ไร่แต่เพิ่นคุยกันเลยนะเรากลับคืนก่อนดีกว่าพอเราเดินกลับมา พระน้อยก็ยิมถามว่าหลานรัก นางฟ้าทรงเหลืองแก้มขาวบ้างแล้วก็เทวดาแต่งตัวสวยสกก็เยอะโอ้ลุงปิยะยาวีก็อยู่ที่นี่ท่านเป็นหัว หลังจากนั้นก็ก่อนที่จะไปยังไม่ อันจุลัยจนหน้าลงกราบยกมือ ท่านลุงก็แปลกใจถามกิ่งอะไรหลานคืออยู่ที่ต้นโพดน่ะอยู่ลมอยู่กิ่งไหนท่านลุงปิยะยาวีๆแล้ว เพียงแค่มาช่วยงานนิดเดียวสู้คู่ก็กลับแต่ก็ถามคู่หนึ่งของลุงใช้เวลาเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าเวลาของลุงถ้าเทียบกับเมืองมนุษย์นะพวกชาวมนุษย์ชาวมนุษย์ใช้เวลา ก็ 300 ปีกว่า 150 ปีจุลัยก็ถามต่อๆไม่ปรากฏการขึ้นท่านก็บอก บนอากาศหนูไม่ได้สงใสแต่หนูมีความรู้สึกก็มีอะไร 1988 อยู่ที่พื้นเป็นดินใกล้ๆตนโฟน์โอริเวณที่เหน็อย illusionsอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตั้ง Алอย فيพื้นดิน เห็นสีเหลืองเห จุลัยก็ถามว่าทองทั้งหลายเท่านี้ลุงรักษารักลุงรักษาไม่ใช่รักษา แกก็บกู่หลันลักดูตามลงบอกซิมองตามนี้นะไม่ต้อง จุไรพอเห็นแล้วเจ้าค่ะถ้าเห็นมันมากเกินไปก็ลุงก็ทําไมมากเกินไรไรไร 200 ไร่เศษถ้าภายใต้ ความจริงทองคําทั้งคือแม่ของแผ่นดินแล้วทรัพย์สินมันอย่างที่เป็นของเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิเวลานี้ยังไม่ตรัสต้องรอการเป็นไรอีกนานเมื่อว่างจากพระ ตนี่ทองคําทั้งยากจนใจท่านจะช่วยนี่ทองคําทั้งหมดที่เป็นทองของพระเจ้าจักรพรรดิลุงต้องรักษาอีกหลายจุดในโลกนี้อีกๆประเทศก็มีหลายจุดอันนี้ใคร จุลัยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ทองกลุ่ม 42 ตันเธอก็ถามว่ามองเห็นใกล้แค่ จึงก็ถามว่าทอง 42 ตันนี้เป็นทองของพระเจ้า <c oughs> 4 ตันใน 42 ตัน 4 ตัน เป็นของท่านท่านหนึ่งสร้างจึงได้นําทองส่วน เพื่อเจ้าหน้าที่ทําการก่อสร้างใช้ในจ้างช่างบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ลงความยังไม่หมดยังเหลือ ถ้าหนูอยากจะได้เป็นหน้าที่ทําความรู้สึกอะไรท่านก็ได้เพราะกระจิตความไม่โลภของจิตมีอยู่ถ้าเกิดอยาก ก็ก้มนองกราบขอก็มาท่านลุงปิยะยาวีเวลานั้นท่านลุงอี <S an> <S an> แก่ๆบอกว่าเรื่องนี้น่ะหลวงปู่รู้ดีทุกอย่างเพราะทองคําแต่ละจุดที่ที่ เขาจึงนําทองข้าพเจ้าจักรพรรดิมาได้ไว้บริเวณนี้ในเมื่อเป็นขอบเขตที่ใครรุก คุณลุงเกี่ยวคะถ้าบังเอิญมีใครคนใดคนหนึ่งมาขอซื้อ 10 ล้านอย่างนี้เค้าจะมีจะมีอํานาจข่มมั้ยท่านลุงก็บอกว่า 20 ล้านโอปู่ก็คงไม่ขายแล้วมั้งเพราะว่ายังไงๆวัดก็ขายที่ดินกินไม่ได้อยู่แล้วภาระ nou heb een paar jangen, heb praatjes nu en dan met mijn tankai. Miagndia en Raubron een waterneet komen dan gaan ze op en dan gaan dan gaan ze op en dan gaan ze op en dan gaan ze op en dan gaan ze op en dan gaan ze op en dan gaan ze op en dan gaan ท่านรู้สึกตัวว่ากาละชีวิตคนท่านจะอยู่ได้ไม่นานจึงลดการงานให้ช้า คืออะไรก็กราบเรียนถามว่าถ้าอย่างนั้นหลวงปู่ใช้จ่ายก็น้อยลงท่านปัญญาอ้าท่านบุเรงนอนก็บอกว่าความจริงงานน้อยลงแต่ใช้จ่ายไม่น้อยลงทั้งนี้เพราะว่าวัตถุก่อสร้างขึ้น ตอนดูเวลาก็หมดไป